วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันที่พวกเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเราทําให้จิตใจของพวกเรามีแต่ความสุขความเจริญสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราให้ความสําคัญก็คือให้ความสําคัญต่อทรัพย์ภายใน ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปทรัพย์ภายในก็คือทรัพย์ของใจทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์ของร่างกายทรัพย์ของร่างกายนี่พอร่างกายตายไปทรัพย์ของร่างกายก็สิ้นสุดลงเราเอาติดตัวไปไม่ได้ทรัพย์ภายนอก มีกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว <Yeah. S 2> สิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้คือทรัพย์ภายใน <Yeah. S 2> ทรัพย์ภายในนี้จึงมีความสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอก <Yeah. S 2> ทรัพย์ภายในจะให้ความสุขกับใจ <Yeah. S 2> ทรัพย์ภายนอกให้ความสุขกับร่างกาย ดังนนเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันทรัพย์ภายในนี้สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเชื่อขณะที่ร่างกายมีชีวิตยอยู่พอร่างกายตายไปแล้วทรัพย์ภายนอกนี้ก็เป็นของคนอื่นต่อไป เป็นของญาติพี่น้องของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของบิดามารดาใครที่หยุดไทยที่ยังอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะมาเอาทรัพย์ภายนอกของเราไปได้แต่เรากลับไม่มีสิทธิ์ทั้งที่เราเป็นเจ้าของทรัพย์ภายนอกที่เราหามาแทบเป็นแทบตาย แต่พอร่างกายของเราตายไปแล้วเราหมดสิทธิกับทรัพย์ภายนอกคนที่ยังอยู่นี่เขากลับมีสิทธิ์มากกว่าเราที่เป็นเจ้าของทรัพย์ภายนอกเราไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่บาทเดียวเงินทองที่เราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามมีเงินกองเท่าภูเขาแต่พอร่างกายของเราตายไปแล้ว เราจะมาเอามาเป็นของเราไม่ได้แล้วกลายเป็นของลูกของหลานของใครสุดแท้แต่ที่ทางกฎหมายจะมอบให้มอบสิทธิให้หรือเราเป็นผู้มอบให้อตอนก่อนที่เราตายเราก็จะทำพิัยกรรม ว่าให้เงินนี้กับคนนั้นคนนี้ไปแต่เราทำพิณายกรรมให้กับตัวเราเองไม่ได้น่าเสียดายตรงนี้ทำพิณายกรรมยกสมบัติให้คนอื่นได้แต่ยกสมบัติให้กับเราไม่ได้ถ้าเราต้องการเอาสมบัติของเรานี้ให้มาเป็นของเราก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องแปลงต้องเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายใน เรื่องวิธีการเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในก็เปลี่ยนด้วยการทำบุญทำทานนี่เองถ้าเราทรัพย์ภายนอกนี้ไปทำบุญเราก็จะได้ทรัพย์ภายในกลับคืนมาเราก็จะเป็นทรัพย์ของเราที่เราจะเอาติดตัวไปได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรานี้ อย่าไปสร้างทรัพย์ภายนอกมากเกินไปสร้างเท่าที่จำเป็นทรัพย์ภายนอกก็มีความจำเป็นต่อร่างกายของพวกเร า, าเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่สุขภาพไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเรา หาทรัพย์ทั้งภายนอกและหาทรัพย์ทั้งภายใน mm hmm. แต่เราต้องการเอาร่างกายนี้มาหาทรัพย์ภายในเป็นส่วนใหญ่เ mm hmm. พราะทรัพย์ภายในทุกบาททุกสตางนี้เป็นของเราหมดเราเอาไปได้หมดแต่ทรัพย์ภายนอกนี้เอาไปไม่ได้ mm hmm. แต่เราก็ต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงดู ร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายของเราไม่อดอยากขาดแคลนให้พออยู่พอกินพอมีกำลังวังชาที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในกันเพราะว่าเราต้องมีทรัพย์ภายในเราถึงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับ ของสถานภาพของจิตใจได้ hmm. จิตใจของพวกเรานี้มีอยู่หลายสถานภาพด้วยกันขณะนี้จิตใจของพวกเราก็อยู่ในสถานภาพของมนุษย์ mm hmm. สูงกว่ามนุษย์เราก็เรียวกว่าเทวดาสูงกว่าเทวดาเราก็เรียกว่าพรหมสูงกว่าพรหมเราก็เรียกว่า พระอาริยบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามมพระอนาคามมพระอารหันต์พระพุทธเจ้านี่คือลำดับความเจริญของจิตใจของพวกเราทุกๆคนที่พวกเราสามารถที่จะพัฒนาสร้างให้เจริญเติบโตขึ้นไปได้ จิตใจของพวกเราไม่ต่างกับจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่ต่างกับจิตใจของพระอาหารหันตสาวกไม่ต่างจากพระอาาริยสงสาวกไม่ต่างจากพรหมไม่ต่างจากเทวดาเป็นจิตใจเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเรียกว่าธาตุรู้จิตใจนี้คือธาตุรู้ ที่เราสามารถที่จะเอามาพัฒนาให้เป็นอะไรต่างๆได้เหมือนกับที่ดินแปลงหนึ่งนี้เราสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นอะไรขึ้นมาก็ได้จะทำให้ปล่อยป่าละเลยให้เป็นกองขยะก็ได้หรือจะเอามาพัฒนาทำเป็นโรงแรมก็ได้ทำเป็นศูนย์การค้าก็ได้ทำเป็นตึกระฟ้าก็ได้ ที่ดินผืนเดียวกันนี่ทุกๆุกผืนที่ไหนก็ได้ที่เดินที่ไหนถ้าต้องการจะพัฒนาก็าสามารถพัฒนาได้อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนากันไหมเท่านั้นเองถ้าเราพัฒนาเราก็จะสามารถเพิ่มคุณค่าของที่ดินของเราจากที่ดินที่ไม่มีคุณค่าราคา กลายเป็นที่ดินมีคุณค่าราคามหาศาล mm hmm. ดูที่ดินในกรุงเทพเนะี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆก็มีราคาไม่ mm hmm. กี่ตังพอมาสร้างเป็นคอนโดสร้างเศูนย์การค้าขึ้นมา mm hmm. ที่ดินถุย น, นั่นก็กลายเป็นของมีคุณค่าราคามหาศาลขึ้นมาอย่า mm hmm. ใดจิตใจของพวกเราทุกคน mm hmm. เป็นเหมือนที่ดินที่พวกเราทุกคนสามารถ จะพัฒนาให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้วคือเราได้พัฒนามาระดับของมนุษย์เ mm hmm. มื่อก่อนนี้เราอาจจะอยู่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้ mm hmm. ต่ำกว่ามนุษย์ก็ยังมีอยู่ส mm ี hmm. ่พวกด้วยกัน mm hmm. ที่เราเรียกว่าอบายพวกอบาย mm hmm. อบายนี้มีสี่พวก mm hmm. พวกที่หนึ่ง คือพวกสัตว์เดรัจฉานต่างๆพวกนกพวกแมวนะพวกสุนัขพวกปลาพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราเรียกว่าเดรัจฉานนะซึ่งเราก็ในอดีตอาจจะเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อนก็ได้นะแต่เราพอพ้นโทษพอหมดกรรมที่ทาที่เราทำไว้ เราก็ถูกปลดไปออกจากอบายให้มาเกิดเป็นมนุษย์กันทีนี้มาเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะ ว, ว่าเราจะพัฒนาหรือว่าเราจะดึงให้กลับไปอยู่ในอบายใหม่ก็ได้เพราะถ้าอยากจะกลับไปในอบายก็ไม่ต้องรักษาศีลนั่นและเนี่ยทำบาปทำกรรมไป อยากจะฆ่าก็ฆ่าอยากจะรักทรัพย์ก็ลักทรัพย์<ม>อยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ประพฤติผิดประเวณี<ม>อยากจะเดิมสุรายาเมา<ม>ก็เดิมสุรายาเมาไป<ม>ถ้าทำแบบนี้แล้ว<ม>เดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปใจของเราก็จะได้กลับไปที่อบายใหม่อีกแล้ว<ม><ม>แต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับไปที่อบาย เราอยากจะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนสูงเท่ากับพระอรหันตาสาวกหรือเท่ากับพระพุทธเจ้าเราสามารถทำได้ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญสูงขึ้นไปตามลำดับการจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้นี้ เราต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าบุญบารามีบุญบารมีนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับเป็นเหมือนขั้นบันไดตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะพัฒนาจากมนุษย์ให้เป็นเทวดาสิ่งแรกบารมีสิ่งแรกที่เราต้องสร้างกันก็คือ เมตตาบาลมี <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีเมตตาบารามีนี้เรายังจะไม่สามารถที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้ <Yeah. S 2> เพราะว่านอกจากมีเมตตาแล้วเราจะได้ไปสร้างบาลมีอีกการหนึ่ง <Yeah. S 2> คือทานบารมีและศีลบารามีเราต้องมีทั้งสามนี้ถึงจะ ส่งให้เราขึ้นสูงจากการเป็นจากการเป็นมนุษย์ในขณะ น, นี้ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาได้ให้ไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีอยู่หกชั้นด้วยกัน mm hmm. เช่นชั้นจ่าตุมชั้นชั้นดุสิตชั้นอะไรต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกัน ที่เราจะสามารถที่ยกระดับจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นสู่การเป็นเทวดาได้ mm hmm. เวลาตายไปเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์กัน mm hmm. เพราะบ้านของเทวดาเราเรียกว่าสวรรค์ mm hmm. บ้านของเทวดาก็เป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนบ้านของคนรวย mm hmm. คนรวยนี่ไปดูบ้านเขาเสียใหญ่โตมาโหรา มีที่อยู่ที่หลับที่นอนที่กินที่อะไรอย่างสุขอย่างสบาย <Yeah. S 1> ถ้าเราได้พัฒนาจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาได้ <Yeah. S 1> เวลาร่างกายตายไป <Yeah. S 1> เราก็จะเอาทรัพย์ที่เราสร้างกันเนี่ยทรัพย์ที่เราจะสร้างให้เป็นเทวดาไปกับเรา ทรัพที่จะทําให้เราเป็นเทวดาก็คือหนึ่งความเมตตาสองการทําบุญทําทานสามการรักษาศีลห้าไม่กระทําบาปต้องมีเมตต้องมีบารมีสามส่วนนี้เริ่มต้นที่เมตตาบารมีก่อนเพราะก่อนที่เราจะทําบุญทําทานก่อนที่เราจะรักษาศีลได้ เราต้องมีเมตตาความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงความเมตตาก็คือความรักนี้เองความรักแบบไม่ไม่ได้เรียกขนตอบแทนไม่ได้เรียกอะไรตอบแทนเรียกว่าเป็นความรักแบบบริสุทธิ์ความรักที่ให้ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นของตอบแทนไม่ได้เป็นเหมือนกับความรักของหนุ่มสาว แต่เป็นความรักเหมือนของพ่อแม่ต่อลูกๆความเมตตานี้เป็นความรัก<ม>ที่มีแต่จะให้ผู้รับเท่านั้นไม่ต้องการนะอะไรจากผู้รับ<ม>อยากจะให้ผู้รับมีความสุข<ม>เหมือนกับพ่อแม่นี้อยากจะให้ลูกๆมีความสุข<ม>พ่อแม่ก็เลยให้ความเมตตา<ม>แต่ความเมตตาของพ่อแม่นี้อยู่ในวงจํากัดน พ่อแม่จะเมตตาเพียงต่อลูกๆของตนเท่านั้นแต่กับลูกของคนอื่นกับไม่มีความเมตตาห ร, หรือกับคนบุคคลอื่นก็จะไม่มีความเมตตาถ้ามีเมตตานี้จะไม่เลือกว่าเป็นลูกหรือเป็นใค ร, รจะเป็นให้ความเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงเพะฉะนั้นสิ่งแรกที่ชาวพุทธเรา ถูกสอนให้ทำกันก็คือให้เราแผ่เมตตากัน <Yeah. S 1> ให้เรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง <Yeah. S 1> การแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการพบตอนที่เราพบปะกัน <Yeah. S 1> ไม่ได้แผ่ตอนที่เราไหว้พระ ส, สวดมนต์ <Yeah. S 1> ซึ่งชาวพุทธเราอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าตอนที่เราสวดบทแผ่เมตตาว่าเรากำลังแผ่เมตตาให้กับสรรัตว์ประสวททั้งปวง<ม>เช่นพอเราสวดมนต์ถึงบทสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุ<ม>ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดสัพเพสัตตาอภัยาปชาโหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดสัพเพสัตตาอานิฆาโหตุ<ม>ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปาริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักษาตนเถิด อันนี้เป็นการสร้างความปรารถนาดีขึ้นมาภายในใจก่อน mm hmm. เป็นเรู้ว่าเป็นการศึกษา mm hmm. วิธีที่จะแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไร mm hmm. ยังไม่ได้เป็นการแผ่ถ mm hmm. ้าเป็นละครก็เหมือนกับซ้อมกันก่อน mm hmm. ยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริง เวลาที่จะขึ้นเวทีจริงก็คือเวลาที่เรามาพบปะกันอย่างตอนนี้ตอนนี้เราเวลามาอยู่ร่วมกันเราเจอกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือความเมตตาต่อกันคือถ้าเกิดมีการกระทบกระทั่งกันแล้วทาให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราก็ต้องใช้อเวลาหนตุอย่ามีเวรมีกรรมกัน ก็คืออยามีเรื่องมีราวกันนั่นเองเวรกรรมก็คือการมีเรื่องมีราวกันมีการทะเลาะวิวาทกันมีการด่ากันนีอันนี้<ม>ต้องทำความเข้าใจว่าตอนที่เราสวด น, นั้นไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา<ม>เป็นการซ้อมแผ่เมตตาเวลาเราสวดว่าเอเวลาโหนตุโยงี้ ยงอย่ามีเวรกันเถอะนี้เราต้องสอนแล้วว่าทำอย่างไรจึงไม่มีเวรกันเวลาใครทำให้เราโกรธเวลาใครทำให้เราเสียใจไม่พอใจเราต้องไม่จองเวรคือไม่ถือสาคือให้อภัยนั่นเองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหยียบท้าวผมมันไม่เป็นไร อ, อาจจะเผลอพัง เวลาเดินใกล้ชิดกันบางทีก็อาจจะไปเหยียบเท้ากันได้ก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันอย่าไปโกรธอย่าไปเหยียบเท้าเขาคืนคุณเหยียบเท้าผมผมต้องเหยียบเท้าคุณอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาแล้วจะต้องไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครตรงนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมาหาเรื่องเราก็ตาม มากั่นแกล้งเรามารายเราถ้าเราอยากจะเป็นผู้มีความเมตตาจริงๆเราต้องไม่ตอบโต้อันใดทั้งนั้นแล้วเราจะได้ไม่ไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจแล้วทำให้เขามีความสุขถ้าความสุขของเขาอยู่ที่การกั่นแกล้งเราอยู่ที่การทำร้ายเราก็ขอเป็นการ ทำหน้าที่ของการแผ่เมตตาก็ปล่อยให้เขาทำไปถ้าเขามีความสุขก็ดีไปให้คิดว่าอาจจะเป็นกรรมของเราที่เกิดมาที่จะต้องชดใช้กรรมอันนี้เขาจะมาทาร้ายเรามากานแกล้งเรามาเบียดเบียนเราเราก็จะไม่ตอบโต้เราจะแผ่เมตตานั่นแหละต้องแผ่ในตอนนั้นตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตอนที่เราอยู่คนเดียวเนื้อสวดบทแผ่เมตตานี้ยังไม่มีการแผ่เมตตาเป็นเพียงการศึกษาวิธีการแผ่เมตตาว่าต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งต้องไม่จองเวรกันต้องไม่เบียดเบียนกันต้องไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันและต้องให้ความสุขต่อกันอย่างญาติโยมบางคน มาก็ไม่ได้มาตัวเปล่าเอาข้าวเอาของมาเอามาถวายพระนี่อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วเพราะว่าเอาความสุขมาให้กับผู้อื่นมาบรรเทาความทุกข์ยากเหลือดร้อนของผู้อื่นคือของพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะพระสงฆ์นี้ท่านไม่มีรายได้ท่านไม่มีงานที่จะหาของใช้จำเป็นต่างๆได้ด้วยตนเอง ถ้าญาติโยมไม่ได้มีความเมตตาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ก็จะโอดอยากขาดแคลนนี่พระสงฆ์ไม่โอดอยากขาดแคลนก็เพราะความมีเมตตาของญาติโยมนั่นเองนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งสวดมนต์ไม่ได้แผ่ด้วยการ สวดบทแผ่เมตตาถ้าสวดแบบแผ่สวดไปแต่พอเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงก็ไม่แผ่เสียแล้วพอใครทำให้เราโกรธก็ทะเลาะ ก, กับเขามีเรื่องมีราวกับเขาเวลาอยากจะได้อะไรบางทีก็ไปเบียดเบียนเขาอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้แผ่เมตตาถึงแม้จะสวดบทแผ่เมตตาทุกวันก็ตาม ก็เป็นเหมือนนกแก้วมีนุษยนรรมนกแก้วนกแก้วนี้เราก็สอนให้มันว่าแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเราหยิบแก้วให้มันมันก็เขียยทิ้งเขียทิ้งพอมันเห็นกล้วยมันก็คว้ามับมันต้องสอนกล้วยจ๋าดีกว่าแล้วพอเห็นกล้วยมันก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่กล้วยจ๋าเป็นอย่างนี้แต่พอเราบอกแก้วจ๋าแก้วจ๋ามันไม่รู้ว่าแก้วเป็นอะไร คำว่าแก้วก็คือเพตนินจินดาเนี่ยเองอัญญมณีแปลว่าแก้วแต่นกแก้วมันกินไม่ได้มันได้มามันก็เขี่ยทิ้งไปมันไม่ต้องการแต่พอเจอกล้วยนี่มันคว้ามากเลยอันนี้ก็เหมือนกันโลกเราชอบส่วนบทแผ่เมตตากันแต่พอเจอกันทีไรทะเลาะกันละเหลือไมีเรื่องกันละ เดี๋วทุบตีกันนะเดี๋ยวเบียดเบียก น, ก น, กนกันะการแกล้งกันนะอย่างนี้ไม่ได้แผ่เมตตานะอย่างนี้กําลังแผ่ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแผ่ความโกรธนะซึ่งจะทําให้ใจเราทุกข์ร้อนไม่ได้ทําให้ใจเราสุขนะแต่ถ้าเราแผ่เมตตาได้ให้ความสุขกับผู้อื่นนี่พระพุทธเจ้าบอกว่า เราจะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันจากการแผ่เมตตา <Yeah. S 2> หนึ่งท่านบอกว่าเราจะเตินก็เป็นสุข <Yeah. S 2> หลับก็เป็นสุข <Yeah. S 2> นอนหลับก็ไม่ฝันร้าย <Yeah. S 2> จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย <Yeah. S 2> แล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองรักษา yeah. จะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธคือจะไม่มีใครมาคิดร้ายมาฆ่าเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนอที่จะทำให้เขาต้องมาคิดร้านแคลงเราเพราะเราทำแต่ความให้แต่ความสุขกับเขาเห็น ม, มียาญาติโยมก็เห็นพระไปฆ่าญาติโยมนะมไม่มีหรอกเพราะญาติโยมมีเมตตาต่อพระ พระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมเอาแต่ความสุขมาให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าพระก็ไม่มีความคิดที่จะไปร้ง า, างแคนญาติโยมงานนี้ถ้าเราไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของเราแนละ้วจะไม่มีใครคิดร้ายกับเราท่านถึงบอกว่าเราจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษต่างๆแล้วก็ ถ้าเราฝึกสมาธิอยากจะทำใจให้สงบใจเราก็จะสบงบได้เพราะว่าใจเราไม่มีเรื่องข้างค้างอยู่ในใจถ้าเรากโกรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทใค ร, ใครนี้เวลานั่งสมาธิจะนั่งไม่ได้ใจมันจะร้อนมันจะเครียดแค้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความเมตตาใจเราจะไม่มีเรื่องมีราวกับใคร ใจเราจะว่าง้วจะทำใจให้สงบได้ง่ายนี่เแล้วถ้าหลังจากที่เราตายไปเราจะได้ไปเป็นเทวดากันกหรือสูงกว่านั้นแล้วแต่บารมีที่เราจะสร้างกันต่อไปแต่ถ้าเรามีเมตตาบารมีเราก็จะมีทานบารมีไปควบคู่กันกเพราะการทำทานนี้เป็นการสร้าง เป็นการแผ่เมตตานั่นเองทุกครั้งที่เราทำบุญทาทานไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามเรากำลังแผ่เมตตาใ ห, ให้กับบุคคลที่เราทำบุญทาทานด้วย mm hmm. เวลาเราไปปล่อยนกปล่อยปลาเนีเราก็ไปแผ่เมตตาให้กับนกกับปลา mm hmm. ที่เขาอาจจะต้องเสียชีวิตไปถ้าเราไม่ได้ไปไถ่ชีวิตเขา mm hmm. เราไปซื้อปลาซื้อ ที่เขาจะเอาไปค้าเอาขายที่ตลาดแล้วเอาไปข้าอย่างี้เราก็ไป <c oughs> ไปซื้อแล้วก็ไปปล่อย <c oughs> ถ้าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวนี้ไปตามร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารที่มีปลาอยู่ในถังสั่งก็บอกเอาตัวนี้แต่เอาตัวนี้ใส่ถุงพลาสติกให้นะไม่ไม่ยาวมาทอดให้กินจะซื้อไปปล่อยก็ได้เพรบางทีตลาดอาจจะปิดแล้วแต่ถ้าเรายังอยากจะ แผ่เมตตาให้กับปลากับปูตามร้านอาหารทะเลเนี่เขาจะมีของสดสดของที่ยังไม่ตายถ้าเรามีความเมตตาเราก็ซื้อสั่งซื้อเอาปลาตัวนี้เอาตัวนี้แต่ไม่ต้องเอาไปฆ่ามันเอาใส่ถุงให้หน่อยเดี๋ยวจะเอากลับไปปล่อยอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาด้วยการทำทาน ว่าเราต้องซื้อเราต้องเสียเงินต้องเสียเงินซื้อของมาเราต้องบอยจักเราต้องทำทานนั้นการแผ่เมตตากับการทำทานนี้เป็นของคู่กันถ้าแผ่เมตตาโดยไม่ทำทานก็มีบ้างบางอย่างเช่นการไม่จองเวรกันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาอีกแบบแต่เมตตาแบบไม่จองเวรกัน สมมติขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายเราเราก็บอกไม่เป็นไรเรามีประกันคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่เขาชนท้ายเราหรือถ้าเราไม่มีประกันเราก็ยอมฝักกระเป๋าซ่อมเองก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันรับรองได้คนที่เขาชนท้ายเราเขาจะเขาจะรักเขาจะชอบเราเขาจะไม่เกลียดเรา นี่คืออ น, นิสงส์ที่จะได้จากการทาบุญทาทานก็สุดท้ายเวลาตายไปก็ได้ไปเกิดในสุคติไปเป็นเทวดาหรือสูงกว่านั้นถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าการเป็นเทวดานอกจากการสร้างบารมีด้วยเมตตาบารมีทานบารมีน่าศีลบารมีแล้วศีลนี้ก็คือศีลห้าศีล ถ้าอยากจะยกระดับของจิตใจของเราให้สูงกว่าระดับของเทวดาเราก็ต้องเพิ่มบารมีขึ้นมาอีกที่เรียกว่าเนี่อขมมะบารมีกับอุเบกขาบารมีสองบารมีนี้จะยกระดับจากการเป็นเทวดาให้ขึ้นไปเป็น เป็นพรหมไปอยู่สวรรค์ชันพรหมต้องเจริญเนื้อขมมะบา ร, รมีเนื้อขมมะแปลว่าอะไรเนื้อขมมะแปลว่าการละเว้นจากการหาความสุขจากกามคุณห้าจากรูปเสียงกลิ่นรสโอตถะการที่จะเจริญเนื้อขมมะบา ร, รมีก็จเจริญด้วยการรักษาศีลแปดนี่เอง การถือศีลแปนี่แหละคือวิธีเจริญในขัมมะบารมีเพราะผู้ที่ถือศีลแนี้จะละเว้นการเสพกามนั่นเองจะไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะเช่นศีลข้อสามที่มีอยู่ในศีลห้าก็เปลี่ยนจาก กาเมสุมิชาจารามาเป็นอบรัมจาริยาเวรมณีถ้าถือศีลห้านี้ยังเสกกรามได้แต่ต้องเสกร่วมกับคนที่เป็นคู่ครองของเรา<ม>คือสามีหรือภรรยาของเราเท่านั้นไม่ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นเพราะจะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นนั่นเอง แต่พอมาถือในธรมมบารมีศีลข้อสามต้องเปลี่ยนเป็นอ布拉มจริยามเวรามณี <c oughs> คือจะถือศีลของพรหมจันย์พรหมจันย์ก็แปลว่าไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครนั่นเองนอนคนเดียว <c oughs> ถ้ามีสามีภรรยาถ้าถือศีลแปดด้วยกันก็ต้องแยกห้องนอนกันไม่นอนใกล้กัน เพราะอาจจะเกิดเชื้อไฟขึ้นมาได้เหมือนเกิดสะเก็ดไฟถ้าน้ามันกับไฟนี่อยู่ใกล้กันเดี๋ยวสะเก็ดไฟก็ไปถึกเชื้อไฟถูกน้ามันได้ถูกเชื้อไฟได้เพราะสะเกตไฟถูกเชื้อไฟมันก็จะลุกโชนขึ้นมาได้ฉะ น, นั้นใดการมารมณ์นี้ถ้าอยู่ใกล้กันก็อาจจะทำให้เกิดลุกขึ้นมาได้ เพียงแต่เห็นกันก็อาจจะลุกขึ้นมาได้เพียงแต่ได้ยินเสียงกันหรือเพียงแต่แตะเนื้อต้องตัวกันโดยที่ไม่ได้มีเจตนาแต่พอมันไปสัมผัสรั บ, รบกันแล้วมันเป็นเหมือนไฟกับน้ํามันกับเชื้อไฟพอมันเจอกันปั๊บเดี๋ยวมันก็จะเกิดความลุกขึ้นมาไฟก็จะลุกขึ้นมาได้สําหรับผู้ที่ต้องการจเจริญนเนคขมะคือ หยุดการเสพรูปเสียงกล็ดนดต่างๆก็ต้องเปลี่ยนจากการมีสุมิชฌาจารามาเป็นอบร拉มจาริยาเวราเมนีอย่างพวกที่มาอยู่วัดมาถือศีลมานุ่งขาวห่มขาวนี้จำจะต้องถือศีลแปกันศีลข้าวสามนี้ก็เกิดจะไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อืน ต่างคนต่างนอนกันคนละห้องแล้วก็จะแบ่งไม่ให้อยู่ใกล้กันหอหญิงหอชายนี้ที่พระผู้หญิงที่พระผู้ชายนี้จะอยู่คนละอยู่คนละเขตกันไม่ให้อยู่ใกล้กัน mm. แล้วก็เพิ่มศีลข้อที่หก mm. ข้อที่หกก็คือไม่หาความไม่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหาร mm. ให้กินอาหารได้แต่ให้กินแบบเป็นยา กินเท่าที่จำเป็นกินพอที่จะมารักษาความหิวให้ให้หายไปจากร่างกายความหิวนี้ก็เป็นเหมือนโรคชนิดหนึ่งของร่างกายอาหารนี้ถ้ากินเพื่อระ ง, งับดับความหิวก็เป็นเหมือนยาการกินยาเราก็มักจะมีเวลากินกันใช่ไหมหมอไม่ให้กินตามอารมณ์อยากจะกินตอนไหนก็กินไม่อยากกินตอนไหนก็ไม่กิน อย่างใดถ้าจะกินอาหารแบบกินยาก็ต้องมีเวลา เ, ลเวลาของการกินอาหารนี้ท่านก็มีกําหนดไว้ว่าไม่ให้เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วนี้ไม่ให้กินยาแล้วพอแล้วกินตั้งแต่เช้าถึงเทีย่ยงได้เลยแล้วถ้าอยากจะเข้มขัดก็อาจจะกินเพียงมื้อหนึ่งหรือสองมือ้อ ร, ระหว่างมื้อก็ไม่กินอะไร อันนี้เป็นการรักษาศีลข้อหคือไม่ให้เราหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเ ป, เป็นยาเพื่อมาระ ง, งับความหิวแต่บางทีถ้าเราไม่ได้ถือศีลข้อนี้เราก็อาจจะกินเพื่อความสุขบางทีร่างกายไม่หิวแต่ใจอยากจะมีความสุขกินอาหารเพิ่งเสร็จไปใหม่ๆเดี๋ยวเห็นขนมนมเนยอะไรขึ้นมาก็อยากกินขึ้นมาอีก เห็นเครื่องเดิมก็อยากจะเดินขึ้นมาอีกอันนี้เรียกว่ากินด้วอกินเพื่อเพื่อความเสพการหรือเสพการเพื่อให้เกิดความสุขจากการเสพการถ้าเราถือในเราถ้าเราต้องการสร้างใน่คำวบารมีนี้เราต้องฝืนความอยากอย่าอยากินอย่าเดิมเพื่อให้เกิดความสุข กินหือดื่มได้เพื่อระงับความหิวเช่นถ้าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเราหิวน้ำเราก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องดื่มน้ำชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีรสมีกลิ่นมีสีเพราะนั้นมันเป็นการเสพกามไปในตัวกามนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าร่วมหลับนอนกันเพียงอย่างเดียวกามหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็เป็นการเสพกาม รูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดืง่มของขนมนมเนยต่างๆก็เป็นการเสพกลารูปเสียงกลิ่นรสของภาพยนตร์ของดนตรีของการบันเทิงชนิดต่างๆนีก็เป็นการเสพกลาเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันถ้าต้องการเจริญในขัมมะบารมีต้องการยกระดับจิตใจให้ขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหม ผู้ที่ปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดอยงศีลก้หกก็รับประทานอาหารไม่ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะถ้าร่างกายมันหิวจริงๆก็อนุญาตให้ดื่มน้ำผลไม้ได้หรือดื่มน้ำผึ้งได้น้ำอ้อยได้ มีของบางอย่างที่จะมาช่วยบรรเทาความหิวของร่างกายได้ตอนเวลาเย็นเวลาคำ่ำแต่ไม่ให้เอาอาหารไม่ให้รับประทานาหาเพราะว่ามันจะยุ่งยากแล้วก็จะทำให้ทำให้เกิดปัญหาคือเกิดนิวรเกิดอุปสรรคในการที่เราจะมายกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นจากชั้นเทพไปสู่ชั้นพรหม ด้วยการนั่งสมาธิกันถ้ากินอาหารมือเย็นแล้วไปนั่งสมาธิเดี๋ยวหลับนะเดี๋ยวง่วงนอนหรือบางทีไม่ได้นั่งเสียได้ทำไปไม่อยากจะนั่งแนละ้วเพราะว่ามันสบายมันอยากจะนอนมากกว่าหรือก็ไม่นอนก็อยากจะดูหนังฟังเพลงดูทําอะไรเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินทางจิตใจนะนี่คือศีลข้อหกของนเนคขมบารมนะีแล้วก็ ศีลข้อเจ็ก็คือไม่ให้เสพการทางจากมหะรพ บ, บันเทิงต่างๆไม่ให้ดูหนังฟังเพลงน้องลำทำเพลงไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูคอนเสิร์ตดูภาพยนตร์ดูหนังดูลิเกไปงานเลี้ยงต่างๆอันนี้เป็นการเสพการเสพรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผดทะพะ รูปก็มีรูปให้ดูรูปสวยๆงามๆคนแต่งเนื้อแต่งตัวสถานที่ก็จัดให้ดูสวยงามเสียงก็มีเสียงดนตรีชนิดต่างๆให้ฟังกลิ่นรสของอาหารอะไรต่างๆเป็นการพเพลิดเพลินเป็นความหาความสุขจากรูปเสียงกลินล่นรสก็ต้องระ ง, งับกิจกรรมเหล่านี้แล้วเสียงข้อ8ปก็คือ ไม่ให้ร่วมหลับไม่ให้หลับนอนนานเกินไปมากเกินไปวิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปก็คืออย่าบนนอนเตียงที่มันสบายเตียงที่ฟูกหนาๆเวลานอนแล้วมันสบายมันจะเวลาตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่อยากลุกนั่นเองอยากจะนอนตอ่อให้มันยาวไปเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะนอนนานนอนมากเกินไป ก็ให้นอนบนพื้นแข็งแข็งนอนบนพื้นแข็งแข็งนี่มันเจ็บหลั ง, ลงเจ็บเจ็บตามร่างกายนอนแล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะได้ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมที่เราตั้งใจจะทํากันคือยกระดับจิตใจของเราให้สูงจากเท่ไปเป็นพรห ม, มการรักษาศีลแปดนี้ยังไม่สามารถทําให้เราไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมได้ เป็นเพียงแต่เป็นการกั้นไม่ให้เราตกไม่ให้ไม่ให้เราติดอยู่กับสวรรค์ชั้นเทพเท่นั้นเองให้เราออกจากสวรรค์ชั้นเทพในขมมะไปว่าการออกจากสวรรค์ชั้นเทพต้องถือศีลแปถึงจะออกจากสวรรค์ชั้นเทพได้ถ้าถือศีลห้าก็ยังอยู่สวรรค์ชั้นเทพต่อไปยังดูหนังฟังเพลงได้ยังลุ่งหลับนอนกันได้ยังกินอาหารตาม ที่ต้องการได้ทุกเวลานาทีไม่มีข้อห้ามนะแต่ถ้าต้องการขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้เราก็ต้องถือนี่ยขมมะก่อนเนี่ยขมมะคือเป็นการออกจากสวรรค์ชั้นเทพแต่ยังไม่ขึ้นสู่ยังไม่เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมกําลังออกเดินทางจากสวรรค์ชั้นชั้นเทพจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้ต้องเจริญ บารมีอีกอันหนึ่งเรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีนี้คือการทําใจให้ว่างให้สงบให้นิ่งให้มีความสุขจากความสงบอันนี้เกิดจากการฝึกสติการที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาได้ใจต้องหยุดคิดให้ได้น ถ้าใจยังคิดอยู่นี่ใจจะนิ่งไม่ได้ใจจะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่ได้เหตนั้นผู้ที่ต้องการที่จะได้อุเบกขาบารมีได้ได้สวรรค์ชั้นพรมจำเป็นที่จะต้องเจริญสติเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะหยุดความคิดผู้ที่จะทำให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา อุเบกขาก็คือฌานนี่เองอุเบกขานี่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบของรูปฌปานขั้นที่สีถึงจะเข้าถึงอุเบกขาได้การจะเข้าถึงการที่จะทําจิตให้ได้รูปฌปานขั้นต่างๆก็จาเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้ดึงเข้าไปนั่นเอง ถ้าไม่มีสติก็จะถูกความคิดคอยดึงออกไปเรื่อยๆความคิดจะดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรส ด, ดึงไปหาตาหูจมูกนิ้นกายสตินี้จะดึงให้เข้าข้างในให้เข้าไปหาอุบเบกขาเังนั้นการจเจริญอุบเบกขาบารมีนี้จะเป็นเหมือนกับการชักกระเยอะกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการจะดึงใจให้ออกไป หารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกับฝ่ายที่จะดึงใจให้เข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่รูปฌานฝ่ายที่ดึงเข้านี่เรียกว่าสติฝ่ายที่ดึงออกก็คือกามฉันทะนี่ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามฉันทะเนี่ยตัวนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์ เป็นตัวที่จะคอยขวางไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้การที่จะเข้าสู่ความสงบได้ต้องเอาชนะนิวรณ์นี้ให้ได้การที่จะชนะนิวรณ์นี้ได้ก็ต้องอาศัยหนึ่งเนี่ยการรักษาศีลแปดอย่างน้อยก็เป็นการเบรกไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลดแต่ความอยากความชอบมันยังไม่หยุดทํางานมันยังอยู่ในใจอยู่ขั้นที่สองก็ ถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยอย่าอยู่ใกล้ถ้าถือศีลแปดที่บ้านนี้อาจจะลำบากเดี๋ยวได้กิ่นอาหารโชยมาก็หิวแลวเดี๋ยวเห็นคนอื่นเขาดูหนังฟังเพลงก็อยากจะฟังตามขึ้นมานั้นก็ต้องเขาเรียกว่าไปปรีกวิเวกไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมายั่วยวนกวนใจนั่นเองไปหาที่สงบทางกายทาง ทางสิ่งแวดล้อมของร่างกายส่วนใหญ่ก็ต้องมาอยู่ตามป่าตามเขานั่นแหละที่ไม่มีรูปเสียงกินรถที่ยั่วยวนกวนใจผู้ที่ต้องการเจริญในคำว่าต้องการเจริญอุบเบกขาบาลเมีนี้มักจะต้องไปอยู่ป่ากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชเป็นพระพระธุดองนี่พระธุดองนี้ท่านจะไม่ชอบอยู่ตาม ตามวันตามบ้านตามเมืองอว่ามีรูปเสียงกลิ่นลดมาคอยยั่วยวนกลวนใจอยู่เรื่อยๆจันทร์หนึงต้องหนีไปอยู่ในป่าในเขากันไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันเพราะเป็นที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นลดยั่วยวนกลวนใจต่างๆอนอกจากถือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยี่บเจ็แล้ว ยังต้องไปปลีกวิเวกพยายามอยู่ให้ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วขั้นที่สามก็ต้องพยายามจเจริญสติอยู่เรื่อยๆพยายามหยุดความคิดที่จะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เผลอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้พอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะเส่รูปเสียงกลิ่นรส เราเกิดความอยากแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความหุุดจิตลาคาญใจขึ้นมาหรือเกิดความว้าเหวขึ้นมาภายในใจถ้าอยู่คนเดียวเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นของนี้ของเพื่อนฝูงของญาติสนิทพี่น้ายก็จะทําให้คิดถึงเขาอยากจะอยู่ใกล้เขาขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่ได้ทํายังอยู่คนเดียวอยู่ ก็จะเกิดความรู้สึกเหงาว้าวเว mm hmm. แล้วก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทำนั่งสมาธิ mm hmm. นั่งก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วก็คิดแต่รูปเสียงกิ่นรสของคนนั้นของคนนี้ mm hmm. แล้วก็อยากจะกลับไปพบเขา mm hmm. เวลาอยู่กับเขาก็เบื่อแนละ้วแปนะ๊บอยู่ใกล้กันก็เบื่อแต่พอแยกกันไปอยู่สักพักกลับไปคิดถึงเขาเอีกแล้วที mm ่ hmm. ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราเบื่อ ไปคิดถ like ึงเรื so Blake, ่องที่เขาทำให้เราสุขแต่ตอนที่อยู่กับเขานี่กลับไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราเบื่อเราก็เลยไม่อยากจะอยู่กับเขาแต่พอเราไปอยู่คนเดียวมันไม่คิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราเบื่อเะมือนกลับไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราสุขขึ้นก็เลยอยากจะกลับไปหาเขาอีกเนี่ยมันก็เลยเข้าข้าออกๆคนที่ไปบวชชั่วคราวหรือบวชถาวรบวชนานก็เป็นอย่างนี้ตั้งใจจะไปบวชนานแต่ถ้า สู้นิวรณไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเสกไปเดี๋ยวก็ต้องกลับไปหาลูกเสียงกิ่นรถที่คิดถึงนั่นเองเหนั้นถ้าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้กลับไปหารูปเสียงกิ่นรถไม่ให้จิตใจออกข้างนอกให้ดึงจิตใจเข้าข้างในต้องหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้เป็นสิ่งที่จเจริญได้โดยที่ยังไม่ต้องนั่งสมาธิจญได้ทุกเวลานาที ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราเริ่มจเจริญสติกันได้เลยวิธีง่ายๆก็ให้ท่องพุทโธไปภายในใจพุทโธพุทโธพุทโธไปลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบน้ำอาบน้ ำ, อ า, นำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่ตงตัวก็พุทโธพุทโธไปคอยควบคุมความคิดอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความอยากขึ้นมา อยากแล้วเดี๋ยวใจจะร้อนขึ้นมาเราจะอยู่ไม่เป็นสุขจะอยู่ไม่ได้จะนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าเราพยายามควบคุมความคิดไดว้เรื่อยๆ ด, ยด้วยพุทธโธพุทธโธพอเราถึงเวลาจะนั่งสมาธิเราก็นั่งได้เลยพอนั่งสมาธิก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทาให้ใจเราร้อนเพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปพอเรานั่งสมาธิเราก็พุทธโธต่อไป นลับตาแล้วก็พุทโธถ้าใช้พุทโธก็ไม่ต้องดูลมลมก็เป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งพุทโธก็เป็นทางหนึ่งเป็นสติเหมือนกันพุทโธเราเรียกว่าพุทธานุสติคือเราเลืกถึงพระพุทธเจ้าเราเลือกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทโธถ้าดูลมหายใจก็เรียกว่าเราเลืกก็ดูก็มีสติดูลมหายใจเข้าออก เราเลือกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก็เรียกว่าอนาปานสติเราเลือกรู้อยู่กับชื่อของพระพุทธเจ้าคือก็เรียกว่าพุทธานุสติเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่จำเป็นจะต้องทําองอย่างควบคู่กันแปถ้าเราไม่ต้องการแต่ถ้าเราต้องการก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการดูลมด้วยพุทธโธด้วยก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธหรือถ้า อีกแบบก็คือหายใจเข้าก็ว่าพุทธโธหายใจออกก็ว่าพุทธโธก็ได้การฝึกสมาธิการเจริญสตินี่มีหลายวิธีด้วยกันไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งตายตัวไม่ไม่บังคับกันอันนี้เลือกได้เป็นเหมือนอาหารอาหารนี่มีหลายชนิดด้วยกันแต่ผลจากการกินอาหารเหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกัน อัในใดการจเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งผลที่จะได้รับก็คือจิตจะเข้าสู่อุเบกขาไดจ้จิตจะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ถ้าเรามีสติคอยดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้แล้วถ้ากำลังของสตินี่เหนือกว่ากำลังของกามะฉันทะคือความอยากจะออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสลยถ้าสติมีกำลังมากกว่า สามารถควบคุมไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดได้ถ้าพูดตัวพูดโธวไปอย่างเดียวเพียงห้านาทีเท่านั้นะถ้าไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะจิตก็จะเข้าไปถึงอุเบกขาแล้วแต่ถ้าพูดโธวไปได้สองสามคำก็ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นร้ของคนนั่นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาพูดตัใหม่มันก็ยังชักกระเยาะ ก, กันไปนึินกันไปดึงนกันมาอยู่บางทีนั่งเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เข้าข้างในสตีเพราะว่าสติของเรา ยังมีกําลังไม่มากพอที่จะเดินจิตให้เข้าไปข้างในให้ไปสู่อุเบกขาได้เพฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้เราจําเป็นจะต้องเจริญสติจําเป็นจะต้องปีกวิเวกจําเป็นจะต้องถือศีลแปดกันหรืออย่างน้อยอย่างน้อยต้องถือศีลแปด ถ้าไปบวชก็ถ้าเป็นสา ม, มเณรก็ให้ถือศีลสิบถ้าบวชเป็นพระก็ให้ถือศีลสองี็ข้ออันนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างบารมีเพื่อยกระดับทรัพย์ภายในของเราให้สูงขึ้นเพราะทรัพย์แต่ระดับนี้มีคุณค่ามากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการเป็นมนุษย์นี้ได้ความสุขน้อยกว่าการเป็นเทวดา การเป็นเทวดาก็จะได้ความสุขน้อยกว่าการเป็นพรหมดันั้นเหนือกับพรหมก็ยังมีขั้นของพระอริยเจ้าต่อไปพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกเหมือนกับว่ามีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นสังเกตดูถ้าเรามีล้านหนึ่งเราก็จะมีสุขระดับหนึ่งพอมีสองล้านก็สุขเพิ่มขึ้นอีกสองเท่า พอมีสิบล้านก็เพิ่มขึ้นไปอีกสิบเท่าอันาใดถ้าเรามีทรัพย์ภายในเพิ่มมากขึ้นไปเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยพอเราได้ถ้าเราสามารถจเจริญสติจนสามารถดึงใจให้เข้าสู่อุเบกขาได้เราก็จะได้อุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็จะพาให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าตายไปนี่ จะไม่ต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเลยแล้วถ้าเรายังอยากจะไปสูงกว่าชั้นพรหมก็ยังมีชั้นของพระอริยเจ้า<ม>การที่อยากขึ้นสู่ชั้นของพระอริยเจ้าได้เราต้องสร้างบา ร, รมีอีกขั้นหนึ่งอีกตัวหนึง่งอีกอันหนึ่งเรียกว่าปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบเทนะ่านั้น ไม่ใช่ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกที่เราได้จากการไปเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญญาที่จะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้ต้องเป็นปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบปัญญานี้คืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่กับตายรักอนิจจทุกขังอนัตตา อันนี้เป็นปัญญาที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้จักกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุปัญญาอันนี้จะไม่มีใครรู้กันและจะไม่มีใครจะสามารถขึ้นเหนือกว่าระดับของพรหมได้สมัยก่อนที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุนี้ก็มีคนทุกยุคทุกสมัยสร้างบารมีถึงขั้นอุบเบกขาบารมีกันได้แต่ไม่มีใคร สามารถสร้างขั้นปัญญาบารมีได้เพราะไม่รู้ว่าปัญญาบารมีนี้คืออะไรแล้วจะหาได้อย่างไรต้องรอให้มีคนฉลาดระดับพระพุทธเจ้าท่านั้นที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เช่นเจ้าชายสิท ธ, ธรรัตถะนี่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ออกบวชแล้วก็มาเจริญบารมีขั้นต่างๆขั้นศีลขั้นเนขัมมะขั้นอุเบกขา แล้วหลังจากนั้นก็ไปค้นหาปัญญาด้วยตนเองปัญญาบารมีด้วยตนเองเพราะไม่มีใครในโลกนี้รู้ว่าปัญญาบารมีนี้คืออะไรอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะซึ่งตอนนั้นเป็นสมุนะโคดมก็ลเลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้ตัดส้วนเป็นพระอาหานตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา คือตัดสู้ปัญญาบาลามีนี่ตัสู้ว่าการที่จิตไม่สามารถขึ้นเหนือกว่าระดับของพรหมโลกได้ก็เพราะว่าถูกกิเลสตัณหานี่คอยดึงเอาไว้นั่นเอง mm. คือความอยากต่างๆความอยากเสษกา ร, รความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่ลนะความอยากไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่อยากเป็นนั่นไม่เป็นนี่ ความอยางเหล่านี้มันจะดึงใจไม่ให้ขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลได้และการที่จะตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์แป่นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมมันดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันหมดไปไม่มีอะไรที่จะอยู่คงเส้นคงวาอยู่คำฟ้าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องเสียไปเสียเสียตอนเป็นก็มีเสียตอนตายก็มีแต่ยังยังไงก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปติดไปคล้องแวะไปติดไปอยากนี่เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอริยศาสตร์คือเป็นตัวที่ทาให้ทุก เป็นตัวที่เดิงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพวกก็ตัดความอยากเหล่านี้ออกไปจากใจพอตัดความอยากเหล่านี้ออกไปจากใจได้ใจก็จะพ้นทุกข์ใจก็จะพ้นจากาจากระดับพรหมขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลได้ขึ้นไปตามลำดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ พอถึงขั้นที่สี่แล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดขั้นที่เหนือกว่าขั้นของพรหมของเทพของมนุษย์เหนือกว่าตรงไหนเหนือตรงที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังอยู่ขั้นพรหมอยู่เดี๋ยวพอมบุญที่ส่งไปให้เป็นพรหมหมดกลาลังลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าเป็นเทพก็เหมือนกันพอบุญส่งที่บุญส่งไปบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพหมดกําลังลงก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบา ร, รมีกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่มาสร้างทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีเพื่อเวลาที่ร่างกายตายไปจะได้กลับขึ้นไปสู่ชั้นเทพชั้นพรหมต่อไปแต่ถ้าได้ปัญญาบา ร, รมีแล้วทีนี้ไม่ต้องกลับมา ไม่ต้องกลับมาได้ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นที่ผ่านไม่มีวันกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดจรุเท่านั้นมาสอนอริยสัจสี่มาสอนใจรักให้แก่สัตว์โลกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาตัดโลกอย่างพวกเรานี้ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอยังไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือเรื่องของบารมีต่างๆที่เป็นทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาสร้างกันเป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติที่จะให้เรามีความสุขหลังจากที่เราร่างกายของเราตายไปแล้วเราจะไม่ต้องไปเป็นขอทานไปขอบารมีขอบุญจากคนนั้นคนนี้เพราะเราสามารถเอาเราสามารถสร้างเองได้ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ แล้วตอนเราตายไปเราก็เอาติดตัวไปกับเราได้เราก็จะมีทรัพย์ภายในคุ้มครองเรามีทรัพย์ระดับมนุษย์ทรัพย์ระดับเทพทรัพย์ระดับพรหมทรัพย์ระดับพระอริยบุคคลจนถึงทรัพย์ขั้นสูงสุดทรัพย์ของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญกันคือทรัพย์ภายใน พอซัภ์ภายในนี้เป็นที่พึ่งของใจรัพ์ภายนอกเป็นที่พึ่งของร่างกายใจพึ่งรัพ์ภายนอกไม่ได้เวลาร่างกายตายไปใจเอารัพ์ภายนอกไปไม่ได้ใจเอาไปได้เพียงแต่รัภ์ภายในนี่แหลเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเราที่เอานามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานางอุปปกปติอิชิตังปฏธิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตโตสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาราโสยะถา มณีโชติรัศโยทาสพิติโยวิวาจันโตสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคาโยโกภาวะอภิวาธานสีริสะนิจังวุฒาปจายีโนจตารูธรรมวัานติ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 จาก Facebook 438 YouTube 224วิทยุออนไลน์14 Zoom 7ผู้รับฟังหน้ากุฏิ119รวม816ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลยจากคุณจัสตินผู้ที่ยังไม่ถึงซึ่งนิพพานโสดาบันสกิธาคามีอนาคามีเป็นต้น ถ้าได้ขั้นที่กล่าวมาแล้วสามารถเสื่อมลงได้หรือไม่ขอรับสามารถสวดมนต์ได้หรือเปล่า<อ>ได้ไม่มีอะไรจะห้ามยังต้องเจริญสติปัญญาต่อไปถ้าใจไม่สงบก็สามารถใช้การสวดมนต์ทำใจให้สงบได้<ม>น้องปู่มัน่นท่านเป็นพระอาหารหันต์นะท่านก็ยังสวดมนต์อยู่<ม>สวดนมนต์เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะทาให้จิตใจเพลิดเพลิน คุณโรงศักด์การที่เรานั่งสมาธิแต่ใจเรายังไม่นิ่งยังคิดนั่นคิดนี่เราจะได้บุญไหมครับยังไม่เกิดนะคือบุญมีสองส่วนบุญที่เป็นเหตุเกิดแล้วคือค ว, ความเพียรความเพียรที่จะนั่งสมาธิแต่บุญที่เป็นผลยังไม่เกิดคือความสงบคื อ, อ, อใกล้ปากเลย ติดทามขอถามอาจารย์าค่ะมีคำถามพราะว่าเมืก่อบริบัตของเาางมื่อเวลาชีวิปตประจำวันการที่เราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางตาเห็นจ ม, มูกเดินใจใจของพระพเจ้านี่ยเอา้ากากไ่อนแล้วก็ใช้คือเป็หน้นาก า, ากออก กานมัสการเจ้าค่ะในการปฏิบัติของข้าพเจ้าเท่าที่ผ่านมานี้ก็คือว่าไม่ได้ไปร่วมอารมณ์กับที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกเียนกายใจแล้วก็ได้ฟังธรรมมาจากพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นหนทางและ ทำให้จิตใจเราไม่ทุกข์เจ้าค่ะต้องเข้ามาในทงการปฏิบัติก็เพื่อหยุดความอยากต่างๆสิ่งความอยากเสียเรื่เสียงกลิ่นรสต่างๆให้อยู่กับความสงบแทนจะได้พบกับความสุขที่ไม่มีม็ดไม่รีรอเวลาไม่มีปัญหาความสุขที่ได้จากรื่เสียงกลิ่นรสเดียวมันกลายเป็นเรื่มขึ้นมาเรื่องผาตีหายใจก็ทําให้เราทุกข์ได้ แล้วกับลูกหลานข้าพเจ้านะคะอย่างเช่นซีโอหน้าหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกว่าทางทางธรรมเราก็ปฏิบัติไปทางโลกเรามีหน้าที่ของเราเราก็ต้องปฏิบัติกับพวกท่านใช่ไหมคะใช่คพีการต้องมีการไม่ตายก่อนทุกคนทําอะไรถ้าต้องช่วยเขาก็ต้องช่วยเขาก็ต้องทํำอะไรให้เขาก็ทําให้เขา ถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องอยู่ที่ความจําเป็นไม่ได้ทั้ำด้วยความอยากทำเจค่ะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากใช่ไหมคะใม่เด็นความอยากถ้ามันมีเหตุให้าทาก็ต้องทำเป็นถ้าเด็กเขาเป็นเด็กเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาไปก่อนเด็กค่ะพี่โหน้าก็ถามหาพระอาจารย์ยก็หาพระอาจารย์คิดถึง ท, ท, ทุกวันก็ค <c oughs> ิดถึงทุกวันเห็นหน้าทีไรกคิดถึงทุกทีพี่โอ๋หน้าสบายใจแล้วค่ะ อันนี้ไม่เคยถ้าไม่ถามอะไรนี่แกขายได้รู้วิธีนะรู้ทางแล้วนะบังคัมันก็ปดัดแต่ก็ทาได้ อ, อ, อ, อ, ดอดก็พุทโธพุทโธไปแล้วไม่รู้จะทําไงกบพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หาให้อันดจะคุณอชฉรี เป็นหมอดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆที่ไม่สามารถรักษาหายได้แล้วจะแนะนำผู้ป่วยอย่างไรดีคะปัจจุบันแนะนำให้ปล่อยนกปล่อยปาถ่ายชีวิตครโครกระบือแต่รู้สึกว่ายังไม่ดีพอขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยคะ่ะก็แนะนำให้ทำใจนะนันนะทำใจให้อยู่กับมันไปมันเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าเราทาใจเราก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าฝนตกแดดออกอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆเมื่อทําให้มันหายไม่ได้ก็ต้องหัดทําใจอยู่กับมันไปอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอยากให้มันหายยินดีกับมันเถะถ้ายินดีเราจะมีความสุข<อ>เวลาเราได้อะไรแล้วถ้าเรายินดีเราจะมีความสุขถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะทุกข์มันไม่ได้อยู่สิ่งที่เราได้ที่ทําให้เราสุขหรือทุกข์ มันอยู่ที่ความยินดีหรือไม่ยินดีของเรานั่นเองเห็นไหมคนบางคนของเงนเดียวกันนี่คนคนหนึ่งยินดีคนนึงไม่ยินดีคนที่ยินดีก็มีความสุขคนที่ไม่ยินดีก็ทุกข์เช่นคนหนึ่งเกลียดคนนี้คนนึงรักคนนี้คนที่รักคนนี้ก็มีความสุขคนที่เกลียดคนนี้ก็มีความทุกข์งั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปเกลียดกับสิ่งที่เราต้องมีต้องเจอ เราเจอความเจ็บปวดตามร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปเกลียดมันให้หัดรักมันรักมันชอบมันแล้วก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราอยู่ที่เราไปดังเกลียดมันมันมาแล้วก็อยากจะไล่มันไปไล่มันไปมันก็ไม่ยอมไปก็เลยยิ่งทำให้เราทุกข์ใหญ่ยันวิธีก็คือเรี่อว่าทาใจทำใจให้ชอบกับสิ่งที่เรามียินดีตามมีตามเกิดพูด ง, ง่าย ยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับอะไรไ<ง>ยินดีกับความแก่ยินดีกับความเจ็บ่า้ได้ป่วยยินดีกับความตายเพราะเราหนีมันไม่ได้หนีมันไม่พ้น <Geez. S 2> มันล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ <P aram> แล้วเราต้องไปทุกข์กับมันทาไมที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยินดีเท่านั้นเอง แต่พอเราปรับใจได้ยินดีมันดูสิ ย, ยินดีกับความแก่ดีเป็นคนแก่คนเขาจะได้ mm. เคารพเราเป็นเด็กนี้นเขาไม่มีใครให้ความเคารพเนี่ยพอแก่แล้วนี่คนเ็ายกมือไหว้ mm. ทำอะไรก็ mm. มีคนคอยช่วยเหลือเรา mm. เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีพยาบาลพยาบาลหมอมาห้อมล้อมมาคอยดูแลเรา mm. มองไปทางทางที่ดีบ้างนะนะ mm. เราชอบมองไปในทางที่ไม่ดีเราก็เลยไม่ยินดีกับมัน mm. เวลาตายก็ดีไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเราเคิดมองไปในทางบวกดูเลแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี่มันดีแสนดีน ะ, ะแล้วเราจะมีความสุขกับมันเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายคุณ น, นัท ถือสินปดข้อห้ามนอนที่นอนนุ่มใหญ่ไม่ค่อยไหวครับเนื่องจากเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทจะปวดมากถ้านอนที่นอนบางๆจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็ให้มันพอบรรเทาความปวดได้ก็พอแต่อย่าให้มันสบายเท่านีก็ถ้ามันถ้ามันแข็งเกินไปก็หาเบอะมารองหน่อยให้มันไม่ปวดแต่อย่าให้มันสบายจนกระทั่งขี้เกียจที่จะลุกขึ้นมาภาวนาเท่านั้นเอง ถ้าใช้เพื่อรักษาร่างกายได้อยู่ใช้เพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้ส่งเสริมความสุขไม่ได้คุณนะัทหากเราเพียงรักษาศีลห้าและปฏิบัติตนให้ทานและภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะพอเพียงต่อการหลุดพ้นได้ไหมครับนะก็มันก็ต้องได้ระดับปัญญานะต้องต้องมีศีลสมาธิปัญญา แล้วก็ปัญญาก็มีหลายขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกฤฤฤฤฤฤิดาคาขั้นอนาคาขั้นอาหารหันต์ก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นขั้นไปคุณสันชยัยประกอบอาชีพค้าขายมีการต่อรองราคาทำให้ได้รับในราคาทให้ลูกค้าได้รับในราคาไม่เท่ากันเลยไม่สบายใจค่ะก็ขายมันเท่ากันได้ไหมรื่เอเอ ดูความสบายใจก็ไม่มีการต่อรองราคานี่ราคาเดียวคุณจอยถ้าเราถ้าแฟนเราไปแต่งงานแล้วเขาเขาขอกลับมายุ่งกับเราถือว่าผิดไหมคะควรทําอย่างไรถ้าเขามีภรรยาใหม่แล้วมายุ่งกับเราก็ผิดเลยเราก็ไปผิดด้วยเราไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเนาะ <c oughs> คุณแอบอลเลอร์คำพูดเหลวไหลมีลักษณะเป็นแบบไหนเราจะรู้แยกอย่างไรว่าวาจาที่เราพูดเหลวไหลหรือไม่ไมเรื่อนความจริงไงความเหลวไหลก็คือไม่เป็นความจริงหลอกลวงนี่ก็เหลวไหลพูดพูดพู ด, พดที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันเหลวไหลฟังแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้สับไม่ได้แสง พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็แล้วเป็นวาจาที่เหลวไหลก็เป็นคําพูดปลดนี่เองเหมือนเด็กเลี้ยงแก่ไปบอกเขาว่าช่วยมาช่วยช่วยหน่อยมีพวกฝูงหมามากัดกินแกะพอไปบอกเขาเขาก็รีบมาช่วยพอมาถึงก็ไม่เจอไม่มีไม่มีฝูงหมาเลยก็เลยรู้ว่านี่เหลวไหลเด็กคนนี้พูดเหลวไหลใช้ไม่ได้ ชาวต่อไปพอต้องการความชื่อยหลือจริงๆก็ไม่มีใครเขาจะฟังนี่คือเรียกว่าสัจจะเราต้องมีสัจจะพูดอะไรต้องพูดเป็นความจริงเพราะวาจาของเรานี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับตัววัดคุณภาพเราเราจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอยู่ที่ว่าเรามีสัจจะก็ไม่มีสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะจะไม่มีใครเชื่อถือเราไม่มีเครดิต ถ้าเราไปไปทําอะไรแล้วคนเขารู้ว่าเราหลอกลวงเขาต่อไปแล้วก็ทําอะไรกับเขาไม่ได้แล้วเขาจะไม่เชื่อเร า, <ช>าการกระทาอะไรบางอย่างนี้ต้องอาศัยความเชื่อใจกัน<ช>แล้วถ้าไม่เชื่อใจกันแล้วก็ทําอะไรกันไม่ได้พะรู้ว่าตกลงจะทําอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาก็ไม่อยอมทําทตามที่ตกลงมันก็จะทําให้เขาเสียประโยชน์ได้เขาก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับเราต่อไป คุณโอการปฏิบัติกรรมฐานเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงกับการใส่บาตควรจะเลือกทําอย่างไหนดีคะก็ทํา ท, ทั้งสองอย่างถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็ดีมันจะได้ไรบุญหลายๆอย่างแต่ถ้าทําไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในในสภาพแวดล้อมอย่างไรถ้ามาเป็นพระนี้ท่านก็ไม่ใส่บาตแล้วท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแทน แต่ถ้าเราเป็นคาราวะส์เนี่ยเร า, ายังต้องใส่บาตรอยู่ถ้าเราเรายัางไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็อาศัยบุญที่เกิดจากการใส่บาตรมาช่วยเราได้คุณกอ๊อฟพูดเพอ้อเจอ้อไปบ้างสติตามอารมณ์ไม่ไวครับทําอย่างไรดีครับก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกพูดโธพูดโธไปเรื่อยๆ ก่อนจะคิดก่อนจะพูดอะไรก็คิดซะก่อนว่าอพูดไปแล้วเป็นมีสาระประโยชน์หรือไม่ถ้าพูดไปแล้วไม่มีสาระประโยชน์แล้วก็อย่าพูดดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจดีกว่าต้องฝึกสติถ้ามีสติก็จะเห็นความคิดของเราเห็นว่าเรากําลังจะคิดอะไรกําลังจะพูดอะไรแล้วเราก็ได้พิจารณาก่อนว่า คิดแบบนี้ดีไหมพูดแบบนี้ดีไหม <Yeah. S 1> ไม่ดีก็อย่าพูดต่อไป <c oughs> จากพูดรับฟังหน้ากุฏิค่ะเหตุใดเวลานั่งสมาธิจะตกใจง่ายเวลาได้ยินเสียงอะไรอื่นมาเช่นเสียงเปิดปิดประตูเสียงเปิดปิดประตูห้องแต่ก็รู้สึกตอนตกใจนั้นว่าเป็นสภาวะที่สบายดีนะเจ้าคะ่ะ ก็ไม่มีเหตุอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องของจิตเรามันเป็นอย่างนั้นเองก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็สำคัญก็คือตกใจแล้วก็อย่าไปตื่นตนกต่อไปให้มันตกใจปุ๊บแล้วก็หายไปแล้วก็มีสติอยู่กับการทำสมาธิของเราต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพอตกใจปับ๊บก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจยังกระทั่งพุโทโธไม่ได้นั่งสมาธิต่อไปไม่ได้บนแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวลื่มน้ำเท่าไหร่ <c oughs> เวลาปฏิบัติเนี่ย <c oughs> ก็อย่าไปอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในใจเราก็ให้รู้เฉยๆ <c oughs> ให้รู้ว่ามันเป็นตายรับไม่ต้องไปปีปฏิกิริยากับมันไม่ต้องไปรู้ว่ามันมาจากไหนอะไรทํานองนั้นเสียเวลาเปล่าๆ เรามีหน้าที่ทําใจให้เราเฉยให้เราสงบถ้าเราไปอยากรู้อยากเห็นใจมันก็ไม่สงบแล<ม>่ะดังั้นพอมีอะไรมาก็รู้ว่ามันมารู้ว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้รู้ว่าเป็นอ น, นิจจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หมดไป<ม>เราก็กลับมาที่ฐานของเราคือพุโทโธพุโทโธไป<ม>อะไรมาก็พุโทโธพุโทโธไป แล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการมาการไปกับของสิ่งต่างๆโอเคปฏิบัติไปให้มีสติให้พยายามอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจ mm hmm. จนกว่าใจจะสงบนิ่งแล้วไม่มีปฏิกิริยากับอะไร mm hmm. เป็นอุเบกขาตอนนั้นก็หยุดพุทธโธได้หยุดดูลมได้ mm hmm. ให้มีสติรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่ว่าตอนนี้จิตไม่มี ความคิดปรุงแต่งจิตมีความสุขความสบายใจก็อยู่กับความสุขความสงบนั้นไปการปฏิบัติขั้นสมาธิยังไม่ต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรเพียายามสร้าง ส, สร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจไปนานๆสร้างอุเบกขาให้มีอยู่ในใจไปนานๆนนเพื่อต่อไปเวลาเราจะไปเจริญวิปาาัสสนาเจริญปัญญาเพื่อดับกิเลสเราจะได้อาศัย ความสงบอาศัยอุเบกขานี้เป็นกําลังอพอเวลาถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบเราเกิดความอยากขึ้นมาบางทีมันสู้ไม่ไหวถึงแม้จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ยังอยากอยู่นั่นแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันเพราะปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอุเบกขาก็จะหยุดให้เป็นความอยากได้ ดังนก่อนที่จะไปขั้นปัญญาเพื่อดับกิเลสเพื่อพน้นเพื่อทาให้จิตพ้นทุกข์ได้ต้องสร้างอุเบกขาไว้มากๆก่อนและการจะเข้าถึงอุเบกขาได้ก็ต้องอย่าไปสนใจเวลาที่เรานั่งสมาธิเวลามีอะไรมาปรากฏขึ้นมาในใจอย่าไปสนใจอย่าไปเกี่ยวข้องให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธกลับมาอยู่ที่ลมไปเรื่อยๆ อะไรมาก็ปล่อยมันมาไม่ต้องไปติดตามรู้ว่ามันเป็นอะไรมาจากไหนถ้าเราไปสนใจมันเราก็จะไม่ได้พุโทโธเราจะไม่ได้ดูลมแล้วจิตของเราก็จะเข้าไปสู่อุเบกขาไม่ได้ฉั้นต้องอยู่กับอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวอะไรจะมาดึงหลอกล่อเราก็อย่าไปพอมันดึงไปปับ๊บพอได้สติก็ดึงกลับมาที่พุโทโธพุโทโธมาที่ลมอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่า จิตมันจะสงบเวลาสงบนี่มันจะรู้เองมันพูดไม่ได้บอกไม่ได้หรอกอธิบายไม่ถูกสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่ถ้ามันสงบแล้วมันจะรู้ว่ามันสงบเพราะมันเป็นของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสงบแล้วมันนิ่งมันเฉยมันเบามันสบายพูดอีกมันก็ยังไม่เข้าใจว่าบางทีเราก็นิ่งก็เฉยสบายแต่มันไม่ได้นิ่งเฉยสบายอย่างที่เราเคยเป็นกันหรอก มันเป็น อ, อย่างหนึ่งที่ต้องต้องต้องสัมผัส ด, ด้วยตนเองแล้วก็จะสัมผัสได้ก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปแล้วก็อย่าไปคาดคะเนว่าเมื่อไหร่จะเกิดเกิดแล้วยังอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อะไรไม่ต้องถ้ายังคิดได้ก็ยังไม่ใช่ถ้ามันไม่ได้คิดเนี่ยมันถึงยจงรู้ว่าใช่เนีคุณแอสโบเลอร์ การรู้ลมหายใจแบบไม่ตามลมหายใจเป็นแบบไหนเจ้าคะก็ดูจุดเดียวเยดูที่ปลายจมูกอย่าตามลมเข้าไปข้างในในปอดอย่าตามลมออกมาที่ข้างนอกจมูกให้อยู่ตรงปลายจมูกให้อยู่ตรงทางเข้าทางออกเหมือนประตูเประตูมันก็อยู่ตรงจุดเดียวเวลาคนเดินเข้าไม่ต้องเดินตามัดเข้าไปไปเดินวัาเขาไปไหนเวลาเขาเดินออก เหนรอปภที่อยู่ที่หน้าร้านเนี่ยเขาเฝ้าเขาฝ้าอยู่ตรงประตูเวลาใครเข้าไปเขาก็ไม่ได้เดินตามเข้าไปเวลาคนออกมาเขาก็ไม่ได้เดินตามคนออกไปเขาก็เฝ้าดูตรงประตูว่าคนเข้าออกนี้มีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าเท่านั้นเองเขาคอยดูตรงประตูก็พออันนี้ก็เหมือนกันดูลมก็ไม่ให้ตามลมเข้าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมหยาบรู้ลมละเอียด เหมืนเราพ อ, พอรู้ว่าคนเข้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นใครอะไรทำเลานี้ให้รู้เท่านั้นรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปตามก็ว่าคนนี้เข้าไปแล้วจะไปไปซื้อของที่เคาน์เตอร์ไหนไปซื้อของอะไรไม่ต้องไปติดตามไปล่าออกมาก็ไม่ต้องไปตามว่าเขาไปขึ้นรถที่ไหนจอดรถอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ประตูดูลมก็ให้ดูที่จุดที่มันสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูก <c oughs> คุณธรรมสอนมีสามคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งการภาวนาตอนแรกดูที่ลมหายใจเข้าออกครับโดยนึกถึงพุทธเข้าโทรออกกำกับไปด้วยอันนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดครับหรือควรให้ดูลมเฉยๆไหมครับก็ได้แล้วแต่เราไม่ผิดหรอกแต่ดูว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผล สงบหรืไม่สงบคำถามที่สองพอภาวนาไปสักระยะหนึ่งจิตจะรู้ว่ามันไม่ใช่มันผิดหรือเปล่าเลยกลับมาใช้คําบริกรรมพุทโธโดยปากขมุบขมิดไปด้วยสักพักนื่สักพักเหนื่อยเลยกลับไปดูที่ลมเกิดภาวะสับสนเลยรู้สึกว่าไม่สงบและท้อแท้ครับกาไม่รู้หละก็มัน ต้องอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งไปอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปจนกว่ามันจะสงบถ้าไม่สงบก็อย่าเพิ่งหยุดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันเราเราอันนี้ก็ไม่ใช่อันั่นก็ไม่ใช่แล้วก็มาถามจะเอาไหนก็ไม่รู้มันก็มีแค่สองทางนี่มันก็ทางใดทางหนึ่งเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วเกาะติดมันไปอย่าไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็มันก็จะได้ผลเอง อย่าไปเปลี่ยนพอเราเริ่มมันหายแล้ก็อย่าไปเปลี่ยนมันคําถามที่สถ้าสมมุติเราตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นเข้าพรรษาจะถือศีลแปดสวดมนต์ทำวัดทุกวันแต่ทําไม่ได้มีโทษมีกรรมอะไรไหมครับเราไม่มีโทษหรอมีเพียงแต่ว่ามันทําให้เราเสียสัจจะแสดงว่าเราเป็นคนโลเลเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วทําไม่สําเร็จ ฉั้นอย่าไปตั้งสัจจะถ้าเราถ้าเราไม่มั rate, ่นใจเราก็ตั้งสัจจะแบบที่เราทําได้ก็อย่าไปตั้งว่าทั้งพรรษาจะรักษาศิ้นแปดตั้งแบบหลวมๆก่อนก็ได้ว่าพรรษานี้จะขอรักษาศิ้นแปดไปเท่าที่จะรักษาได้อย่างนี้มันก็แต่ผลมันก็จะได้น้อยกว่าแต่ถ้าบังคับใจด้วยเองได้บางทีการตั้งมันก็ดีมันจะได้บังคับเราถ้าเราไม่ตั้งก็ไม่มีอะไรมาบังคับเรา แต่ถ้าเราตั้งแล้วเราเราไม่สามารถให้มันบังคับเราได้เรากลับไปทำลายมันไม่ทำตามที่มันสั่งเราก็อย่าไปตั้งดีกว่าเพราะจะเป็นการหลอกตัวเราเองแล้วต่อไปเราจะตั้งสัจจะทำอะไรไม่ได้หมดแล้วเนหะรอโอเคอาเาิญกับนักสการ์จ่ะค่ะ ทำย่างไรถึงจะหายเป็นคนมีอารมณ์โกรธบ่อยๆเจคะก็มันพุโทโธพุโทโธไว้หนึ่งสองอย่าไปหวังอะไรจากใครความโกรธจากความผิดหวังต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธแต่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรสันโดดยินดีตามตามีตามเกิดเขาจะให้อะไรเราก็เอาเขาไม่ให้เราก็เอาเขาจะดีกับเราก็ดีเขาจะไม่ดีกับเราก็ดีถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธ แต่ถ้าเรามั่นหมายมายั่นหมายว่าเขาจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราเขาก็ไม่ทำให้เราเราก็โกรธเพราะนั้นเองใจเรายังมีความหยักความอยากมากความยึดมั่นถึงมั่นมากยังต้องพยายามเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เป็นดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากอย่าไปหวงังอะไจากใครอยาจะได้อะไรก็หาเองทาเองได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันก็จะไม่โกรธใคร ถ้ายังทําใจไม่ได้ตอนที่โกรธก็หยุดมันเรื่อพุโทโธพุทโธเพราะมันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะเลิกความโกรธได้ ท, ทันทีทันใดอย่างน้อยก็ให้มีคอยไฟมาดับความโกรธมีสติมาคอยหยุดไนพอโกรธแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธ ท, ท, ท่าไปในใจอย่าไปคิดถึงคนหรือเรื่อ ง, อ ง, องที่ทําให้เราโกรธแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งความโกรธก็จะหายไปมีไหมคำถาม อเอาเชิญเหลืออีกสี่นาทีจะคุณไนยนาเป็นคนกลัวทําฟันได้การทํานั่งสมาธิช่วยช่วยเวลาทําฟันทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งล่าสุดที่ทําฟันทําสมาธิแล้วให้มีฐานจิตที่ปลายจมูกทําไปสักพักรู้สึกจมูกหายไปต้องทําอย่างไรคะอา้าถ้าหายไปแล้วใจสงบก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าใจเฉยก็ไม่เป็นไรทำเพื่อให้ใจเฉยให้ใจสงบเย่างถ้าไม่มีลมแล้วใจเฉยไม่เดือดร้อนกับฟันที่ก็กลังทำอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทำใจให้เฉยเป้าหมายก็คือต้องการทำใจให้เฉยถ้าใจไม่เฉยถ้าลมหายไปจับลมไม่ได้ก็เอาพุโทโธขึ้นมาช่วยก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแทนหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรเจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ